เรื่องผีผีห้าอันดับหอพักนักศึกษาสุดสยองทุกสถานที่ย่อมมีเรื่องเล่าและหากสถานที่นั้นไม่ใช่บ้านของคุณคุณต้องยิ่งหวาดระแวงมากว่าที่ที่คุณอาศัยหลับนอนนั้นเคยเป็นที่ของใครมาก่อนหรือเปล่าบางทีหอพักนักศึกษาที่คุณพักอยู่หรือเคยพักอาจจะมีเจ้าของที่มาก่อนก็เป็นได้และพวกเขา ไม่่ใชคอันดับที่หศพหญิงสาวในลิฟต์หอห้าที่แห่งนี้เป็นหอพักนักศึกษายิงของมหาวิทยาลัยในจังหวัดปัตตานีซึ่งถูกดัดแปลงมาจากโรงแรมเก่าโดยโครงการออกแบบเดิมเอาไว้ใครที่เข้ามาต้องรู้แน่นอนว่าเคยเป็นโรงแรมมาก่อนทั้งยังเป็นหอเดียวในที่แห่งนี้ที่มีลิฟต์ และตำนานความสยองก็เริ่มขึ้นที่ลิฟต์ตัวนี้นี่เองเล่ากันว่ามีนักศึกษายิงคนหนึ่งใช้ลิฟต์ตัวนี้ในช่วงก่อนปิดเทอมปรากฏว่าลิฟต์เกิดเสียและเธอเพยายามร้องตะโกนให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีเธอหาทางออกจากลิฟต์ด้วยการใช้นิ้วมือง้างประตูลิฟต์แต่ก็ไม่สำเร็จเธอคงทรมานอยู่ในนั้นจนขาดอากาศหายใจตายเมื่อเปิดเทอมผ่านโรงก็มาเปิดลิฟต์ และพบศพของเธอนอนตายอยู่ในนั้นทั้งรอยเลือดและเศษเล็บของเธอก็ทําให้เกิดความสยดสยองเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้ไมีนานห้องพักที่อยู่ใกล้ลิฟต์ก็มักได้ยินเสียงร้องโหยหวนอย่างทรมานของเธอนอกจากนั้นหากมีนักศึกษาคนไหนที่ป่วยก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเฝ้าไข้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเลยบางทีอาจจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายในลิฟต์ก็เป็นได้ อันดับที่4วิญญาณมาเยี่ยมหอพักมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านศาลียามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โดยเรื่องมีอยู่ว่านักศึกษาแพทย์คนหนึ่งขณะที่เขากําลังข้ามถนนเพื่อมายำมหาวิทยาลายัยเขาได้เสียชีวิตเนื่องจากถูกรถชนเขาพักอยู่ที่หอในเตียงสหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงในวันงานประจําปีของมหาวิทยาลายัย ก็จะมีคนเห็นเขามายืนที่เตียงของตัวเองด้วยสภาพในชุดนักศึกษาที่เต็มไปด้วยเลือดและร่างกายก็มีตะบาดแผลเต็มไปหมดและถ้าคุณอยากเจอกับวิญญาณของเขาแล้วก็ลองไปหาเขาได้ที่หอในเตียงสี่คุณจะพบกับเขาในสภาพที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวอันดับที่สามวิญญาณโซตรวนสมัยสงครามโลก หอพักแห่งนี้เป็นหอหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านกำแพงแสนมีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่จะมาเป็นหอพักที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและเนื่องจากความเก่าของสถานที่จึงมีเรื่องเล่ากันว่ามักจะมีนักศึกษาได้ยินเสียงเดินไปเดินมาหรือเสียงคนเดินลากโซ่ตรวนวนเวียนอยู่ตลอดเวลาในยามค่าคืน แม้กระทั่งในห้องน้ำบางทีก็ได้ยินเสียงอาบน้ำเมื่อเข้าไปดูกลับไม่พบใครแม้แต่คนเดียวที่หอนี้มีตึกใหญ่อยู่สองตึกในตึกหนึ่งมีเรื่องเล่าว่านักศึกษาคนหนึ่งป่วยเป็นไข้ทับฤดูตายก่อนปิดซัมเมอร์ไม่มีใครรู้ว่าเธอตายจนกระทั่งเปิดเทอมจึงมีคนมาพบศพเธอหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าว่ามีคนเห็นเธอนั่งซักผ้าอยู่ในห้องน้า ทล้นั้นที่เธอเสียชีวิตไปแล้วอันดับที่สองห้องสีชมพูเรื่องนี้เป็นตำนานอันเลื่องชื่อในความน่ากลัวของเด็กปีหนึ่งณมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่หอพักแห่งนี้เป็นหอหญิงซึ่งเป็นหอแปดรุ่นพี่ของที่นี่เล่าเรื่องนี้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2532 รุ่นพี่คนหนึ่งได้ชอบพอกับเด็กปีหนึ่งและชวนกันไปอยู่หอหลังมหาวิทยาลัยและจะขับรถมาส่งเธอที่หอแปดก่อนเย็นวันอาทิตย์เสมอความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นไปอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเธอตั้งครรภแต่กลับถูกรุ่นพี่คนรักของเธอปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีแถมยังบอกว่าเด็กในท้องนั้นไม่ใช่ลูกของเขาเขากล่าวหาว่าเธอไปมีชู้จนท้อง จึงขอเลิกกับเธอเธอจึงต้องเดินกลับมาที่หอแปดตามลำพังเวลานั้นเธอกลัวและโกรธแค้นมากเธอไม่อยากให้ที่บ้านรู้เรื่องราวของเธอจึงตัดสินใจเอาเด็กออกด้วยตัวเองด้วยการใช้ไม้บรรทัดเหล็กกระทุง้งจนทำให้หมดลูกเธอฉีกขาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเธอนั้นทำให้เธอตกเลือดมากจนตายในที่สุดก่อนตาย เธอใช้เลือดเขียนข้อความด้วยความแค้นปนเสียใจว่ากูมีมึงคนเดียวหลังจากมีคนพบศพของเธอก็ได้มีการจัดงานศพจนเรียบร้อยและทําความสะอาดทั้งห้องใหม่แต่ถึงแม้จะทําความสะอาดอย่างไรรอยเลือดและข้อความของหญิงสาวก็ไม่จางไปแม้จะทาสีทับแต่วันต่อมาก็กลับปรากฏรอยเลือด และข้อความที่เธอเขียนชัดเจนขึ้นมาอีกจนต้องนิมนต์พระมาทำพิธีแม้ขนาดพระยังบอกว่ า, าเธอเฮี้ยนมากไม่สามารถขอให้ออกไปจากห้องได้ทำได้แค่สะกดวิญญาณเธอไว้ไม่ให้ไปหลอกหลอนคนอื่นได้อีกเมื่อทำพิธีเรียบร้อยก็ได้ทาสีห้องนี้ใหม่อีกครั้งโดยใช้สีชมพูให้กลมเกินกับสีของเลือดจะได้กลบสีเลือดได้สนิท แต่เคยมีคนเล่าอีกว่ามีแม่บ้านเข้าไปทําความสะอาดห้องนี้แต่ลูกบิดล็อกทาให้ออกจากห้องนี้ไม่ได้ทั้งๆที่ตัวล็อกนั้นอยู่ด้านในห้องปัจจุบันนี้ห้องนี้กลายเป็นห้องปิดตายไปเรียบร้อยแล้วอันดับที่1น่เสียงของเพื่อน เรื่องนี้เล่ากันมานานมากและอันดับความน่ากลัวก็ไม่เคยลดลงเลยเป็นเรื่องของนักศึกษาสาวสองคนที่มาอยู่หอพักด้วยกันเธอพักอยู่ที่หอเจ็ดในขณะนั้นมหาวิทยาลัยย่านเชียงใหม่แห่ง น, นี้ยังไม่เจริญมากเท่าปัจจุบันการเดินทางยังลำบากและถนนยังเป็นลูกรังอยู่เรื่องอยู่ว่าในวันหนึ่งเป็นช่วงสอบ นักศึกษาร่วมห้องของเธอชวนเธอไปหาอะไรกินด้วยกันแต่เธอรู้สึกไม่สบายจึงบอกให้เพื่อนไปคนเดียวเพื่อนของเธอเป็นห่วงเธอมากเลยอาสาจะซื้อข้าวมาให้หลังจากนั้นเธอก็หลับไปจนมาตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนลากอะไรอยู่ดังดังเป็นระยะระยะและใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาที่ห้องของเธอเสียงนั้นมาหยุดอยู่หน้าห้องและมีเสียงเคาะ ป, ประตูสามครั้งแล้วเสียงก็เงียบไปเธอรู้สึกกลัวแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเธอจึงลุกไปเปิดประตูปรากฏว่าไม่พบใครเลยแต่มีถุงใส่ข้าวแขวนอยู่ที่ลูกบิดแทนเธอคิดว่า ถ้าเป็นเพื่อนทําไมไม่ไขกุญแจเข้ามาเธอมองหาเพื่อนของเธอแต่ก็ไม่เจอได้แต่คิดเองว่าอาจจะไปเข้าห้องน้ําเพราะมีรอยน้ําอยู่ที่หน้าห้องเธอจึงเข้ามาทานข้าวและทานยาด้วยฤทธิ์ยาเธอก็หลับไปพอรุ่งเช้าก็มีคนมาที่ห้องแล้วแจ้งข่าวกับเธอว่าเพื่อนของเธอถูกขมคืนและถูกฆ่าตายที่พงหญ้าข้างท า, างเมื่อคืนนี้คาดว่า เธอคงถูกคนร้ายเอาท่อนไม้ทุบขาทั้งสองข้างจนหักเพื่อไม่ให้เธอหนีรอดไปได้เธอตกใจมากรือเมื่อนึกถึงถุงข้าวที่แขวนไว้เมื่อคืนล่ะเธอก็ยังหาคำตอบไม่ได้บางทีอาจจะเป็นเพื่อนของเธอที่เป็นห่วงเธอมากและรับปากไวแล้วว่าจะซื้อข้าวมาให้ถึงแม้จะตายไปและขาสองข้างไม่สามารถเดินได้แต่ก็ยังทาตามสัญญาโดยการพาตัวเองค่อยๆคลืบคลานมาช้า ด้วยเสียงที่ดังนั่นก็คงจะเป็นเสียงคางและเข่าของเธอที่กระแทกกับพื้นเพื่อดันตัวเองให้มาถึงห้องของเธอก็เป็นได้ถึงแม้จะเป็นวิญญาณแต่เธอก็รักและเป็นห่วงเพื่อนของเธอมากจริงๆ หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ